แนะนำบทอันนาซิอาตบทอันนาซิอาตเป็นบทมักิยามี46องค์การบทนี้เริ่มโดยการสาบานต่อมาเลายกะผู้ทรงคุณธรรมซึ่งดึงวิญญาณของบรรดามุมินอย่างแผวเบาและลุ่มนวนและฉุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแรงและที่บริหารกิจการในจักรวาลทั้งมวลด้วยพระบัญชาของอัลลอ บทนี้ได้กล่าวถึงพวกมุสลินบรรดาผู้ปฏิเสธการฟื้นทืนชีพและวันแห่งการชุมนุมโดยว่าสภาพของพวกเขาไว้ในวันที่น่ากลัวของวันนั้นหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงฟิลเอาผู้ละเมิดซึ่งอ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้าและได้แสดงอำนาจอย่างหงยินยะโสอลทรงลงทวดเขาและหมู่ชนของเขาด้วยการให้จมน้าตาย บท น, นี้ได้กล่าวถึงการละเมิดฝ่าฝืนของชาวมักกะห์ต่อทัรุส等等ูลลลละเวเลวสลัลและได้กล่าวเตือนพวกเขาว่าพวกเขานั้นเป็นประชาชาติที่อดแอที่สุดในบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างมาในโลกนี้บทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงเวลาของวันอวสานซึ่งพวกมุชลิกีนคิดว่ามันเป็นเรื่องห่างไกลและพวกเขาปฏิเสธว่ามันจะไม่เกิดขึ้นบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหิม ดยพระนามของงงอลลููททรรรกุณาาเมตสม อ, อสาบานด้วยมาลากิกาผู้จุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแรง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 การเป่าสังครั้งที่สองจะปิดตามมาในวันนั้นดวงจิตทั้งหลายจะกระโดดสายตาของพวกเขาจะละหายพวกเขาจะกล่าวว่า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 แต่ทรงทําให้แสงสวา่างของมันออกมาและหลังจากนั้นทรงทําให้ผ่นดินเป็นพื้นเรียบทรงทําให้มันออกมาจากผ่นดินซึ่งน้งนงําของมันและทุ่งหญ้าของมันส่วนเทือกเขานั้นทรงทําให้ มั่นมั่นคงมทั้งหมดนี้เพื่อเป็นปัจจัยยังชีพสําหรับพวกเจ้าและสําหรับพอธุสัตว์ของพวกเจ้ามาจุนคุณรอดังนั้น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 และได้หักห้ามจิตใจจากกิเลสไฟตา่าดังนั้นสวนสวรรค์ก็จะเป็นที่ํำนักของเขาพวกเขาจะถามเจ้าทุกวันอวสานคือวันเกียยมะว่าเมื่อใดเล่ามันจะเกิดขึ้นอบ ด้วยเหตุอันใดเล่าเจ้าจึงชอบกล่าวถึงมันนะยังพระผู้วิบาลของเจ้านั้นคือวันวาระสุดท้ายของมันความจริงเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ตักเตือนแก่คนที่หวาดวกลัวต่อวันกิยามาเท่านั้นแอัลละมยยาบู